ข้อความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่หลวงระพุทิญาณได้นำเสนอเรื่องสัจจะบา ร, รมีมาตามลำดับประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าการตั้งสัจจะหรือการให้สัจจะเป็นการกระทำในระยะสั้นๆ แต่ว่าการรักษาสัจจะนั้นบางครั้งมันเป็นเรื่องตลอดชีวิตและบางครั้งมันก็ผ่านสังสารวัตอย่างพระโพธิสัตว์ที่ตั้งสัตยาธิฐานปราตนาการบรรลุสมโพธิญาณว่าเมื่อเราข้ามได้ก็จะช่วยบุคุณอื่นค้ามเมื่อเราบรรลุ ก็จะช่วยบุ <c oughs> คคลอื่นได้บรรลุเป็นต้นนั้นเราเห็นว่าเป็นสัจจะปฏิญาณที่อยู่ภายในพระไทยของพระองค์แต่เป้าหมายมันไกลลิบล้นพ้นที่จะประมาณได้วานการสืบต่อในรูปขวงสังสารวัตรคือเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุกชาติทุกภพล้วก็หนักแน่นอยู่ในบา ร, รมีธรรมเหล่านั้น แเราสังเกตว่าภูมิธรรมภูมิจิตของท่านเข้มแข็งมากขึ้นโดยลำดับพอมาถึงจุดหนึ่งก็ไม่ห ว, วั่นไหวอะไรเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดไม่วิตกกังวลไม่เดือดร้อนไม่หวาดหวั่นพลานพลึงต่อภัยอันตรายที่กำลังคุกคามอยู่ซึ่งในจุดนั้นขณะนั้นถ้าหากว่าทันรัจจะเสียก็ไม่มีอะไร แต่ท่านก็ต้องรักษาสัจจะให้ได้เป็นีาการดำเนินบนเส้นทางของสัจจะที่ท่านยกอุปมาเหมือนกระดาวประกายพืชดาวนะเคราะห์ที่เที่ยงตรงคือเส้นทางเดินของเขาน้ก็เดินอย่างนั้นไม่โคจร อ, ออกนอกวิถีโคจร แม้ว่าฤดูจะเป็นเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามแต่ถ้าก็รักษาโคจรของตัวเองเอาไว้คือทางเดินของตัวเองเอาไว้แล้วคนที่รักษาสัจจะก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพอตั้งสัจจะเรื่องอะไรเอาไว้ก็ต้องรักษาสัจจะด้านให้ได้คนนี้พึงดูตัวอย่างว่าพอกระจายการตั้งสัจจะออกไปแล้วมันบางเรื่องเนี่ยไม่ค่อาจริงจัง ที่ชัดเจนหน่งคือรูปแบบศาสนาพิธีที่เรามีอยู่ภายในสังคมไทยเนี่ยให้ลองสังเกตว่าส่วนหนึ่งแล้วค่อนข้างมากด้วยนะไม่คํหนึ่งถึงสัจจะ ก, การประกาศตนถึงพระรัตนตรัยการสมาทานศีลแต่ละข้อเนี่ยมันเป็นสัจจวาจาและสัจจปฏิญาณมันค่อนๆไปทางสาบานตน แต่ว่าบางครั้งบางคราวเช่นในงานต่างๆจะมีการรับสีนพอเสร็จแล้วพระกลับก็ดื่มเหล้ากันสนุกสนานกันไม่ได้ใส่ใจว่าขณะนั้นเราเป็นผู้มีศีนเนี่ยไม่ได้ใส่ใจแต่คนที่เขาใส่ใจเนี่ยบระทีก็เห็นว่าก็อยู่ในตรงนั้นไม่ได้ในสมงคมนั้นไม่ได้ เราะการเกิดของพวกชีประขาวการเกิดของแม่ชีเนี่ยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือมีคนกลุ่มหนึ่งพอสมาธานศีลแล้วท่านก็จะอยู่อย่างผู้มีศีลเรื่องบางเรื่องมันไปคลุกคลีกันมากนักไม่ได้อยู่ในลักษณะที่โยเ ย, ยเนี่ยมันไม่ได้ท่านก็หลบเข้ามาอยู่ภายในวัด มีที่เป็นเอกเทศสนทนากาันทำการฟังทำการไหวพระสวดมนต์กันจเจริญสมถะกรรมฐานกันเพื่อจะรักษาศีลให้ดีแล้วก็เพิ่มคุณธรรมเข้า อ, อื่นขึ้นไปการปฏิบัติในลักษณะนี้นานๆเข้านานๆเข้ามันได้ผลพอได้ผลถ้าก็ปลีกตัวออกมา ถ้าถึงจุดหนึ่งเราเห็นว่าผมเผภาก็โกนได้เลยชีปบะขาวก็โกนผมแม่ชีก็โกนผมทั้งเจ้างี้ยิงก็เป็นอุปสศเป็นอุปศปศิกาแต่ว่าต้องการรักษาสัจจะปฏิญาณกับสัจจะวาจาที่ตนให้ไว้แก่พระอาตนาใจตามกลางเพื่อนวสุปศปศิกาทั้งหลายเนี่ยว่าจะรักษาศีล สินห้าหรือสินแปดยิ่งสินแปดส่วนใหญ่เนี่ยสินแปดคุณสินโบสดเนี่ยก็พยายามเข้าไปอยู่อยู่วัดแล้วก็บางครั้งบางคราวเวนี้มันก้าวหน้าไปก็คิดก็ เ, าเอานะฮะก็เรียกเข้างียงคือหลีกเล่นออกไปสงบ อ, อ, อยู่ในป่าก็แล้วแต่ท่านจะใช้เวลาเจ็ดวันห้าวัน คือยางนี้กว ช, ชีวิตแบบนี้ที่จริงเป็นชีวิตที่น่าใช้น่าแสวงหาแต่ว่าภาพลักษณ์ต่างๆของสังคมบัณก่อนเจอรุษสิทธิ์เขาเป็นรองอธิการบดีแล้วก็ไปทำหน้าที่รักษาการอยู่ที่ต่างจังหวัดสอบถามเขาว่าเป็นไงต้องไปต่างจังหวัดในเดือนละกี่ครั้งแกบอกอย่างน้อยก็สครั้ง ใครจะจ่ายเยอะนะฮะก็เสียเวลาเยอะปัญหาสาําคัญว่าหาหัวไม่ได้เหรือหาคนไม่จ่ายนี่คือกระแสของสังคมที่พระเองนั้นมีความคิดไม่เป็นอิสระเหมาเจริญยยสงสองแห่งเนี่ยเวลานี้มันกลายเป็นเหมาเจลิญแห่งรัฐพอรัฐมันก็ถูกครอบงาโดยกฎเกณฑ์ของรัฐ แล้วมีกา ร, กรเกษียณอายุราชการของคนรัฐําคนมันเหลือเฟือนะะมันต้องเออรีรี่ายแล้วแต่ว่าพระนี่ไม่มีคนนะพระนี่ถ้าเกิดว่าไปกเกษียณอายุหกสิบเนี่ยจบสิ้นเลยนะไม่มีคนเพราะว่ากว่าจะทำงานได้เ น, น, นี่ยมันนาน เนื่องจากเริ่มเรียนมาตั้งแต่อายุ20นะฮะเรียนก็ห่างกับคนอื่นเนี่ยเพราะเรียนอยู่ก็ประมาณ20ปีหรือ15ปีอายุก็35หรือ40ไปแล้วแล้วพอทํางานพอคล่องงานพอเป็นงานขึ้นมากเกษียณเวลาเนี้ยพอเกิดระบบกะเกษียณเนี่ยพระที่ทาํางานยังคล่องแคล่วำชำนิชานาญสบายอยันเนี้ยนะ ก็ต้องกเกษียณไปตามเงื่อนไขของราชการคือความคิดตัวเองนี่ถูกครอบงาําแล้วก็ไม่พยายามชี้แจงคือเรามันไม่ถึงก็อยู่ในระบบแต่ไม่ถึงก็อยู่นอกระบบราชการอุปถัมภ์ไม่ใช่ราชการบริหารเพรานกฎหมายทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีข้อแม้เปิดทางหายใจเอาไว้ให้แก่ตัวเองเปิดทางออกให้แก่ตัวเอง พอไปถูกบล็อกไปอย่างนั้นในสุดมันก็เกิดเป็นปนัญหาแล้วก็จะแก้ยากขึ้นไปโดยลำดัำบคือถ้าไม่มีข้อมแม้ในเรื่องเกษียณอายุเนี่ยเราจะไม่มีพระทำงานเพราะว่าพระน้อยแต่ท้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าจะอยู่กันจนตายเพียงแต่ว่าตำแหน่งทางวิชาการเนี่ยเราจะต้องเข้าใจาตาแหน่งทางวิชาการก็ยิ่งแก่ยิ่งมันนะนะ ปกครูบาอาจารย์บางท่านอายุแปดแปดสิบปดสิบกว่าแล้วยังเรียบเลยปรับปรุงควาทรงจําทั้งหลายประสบการณ์ต่างๆในอดีตอ้างอิงหลักฐานทั้งหลายได้ดีแล้วเราเอาท่านไปเก็บเอาไว้ความรอบรู้ความปรับปรึงประสบการณ์ต่างๆของท่านก็หายไปด้วยมาเองยังเคยมีความคิดนะ วัาตออากาศูนย์ส่งเสริมและพุทธศาสนาดําเนินการไปได้สระดับหนึ่งมีอาคารสถานที่พอสมควรแล้วก็มีงบประมาณในการจัดการงานได้พอสมควรงานนี้มันจะมีเยอะงานน่าทํางานท้าทายให้ทําได้มีเยอะแต่งานหนึ่งเนี่ยที่น่าทํามากก็คือว่า ท่านที่เป็นนักปราศราชบัณฑิตทั้งหลายที่ท่า น, กนเกษียณอายุไปแล้วเนี่ยแล้วก็ไปปล่อยเวลาแก่ไปทุกวันทุกวันทุกวันทุวันถ้าท่านเหล่านั้นมาดึงเอาภูมิธรรมสติปัญญาของท่านมาใช้เป็นประโยชน์ใครทํางานในด้านไหนก็ให้ทํางานในด้านนั้นแต่ตามอธัธยาศัยท่านเราก็บูชาความดีของท่าน แล้วก็มาอยู่เมื่อก็อยู่สนานักงานมีคนดูแลใจใสความเป็นอยู่ของท่านท่านจะทำอะไรท่านจะเขียนอะไรจะแปละอะไรจะทำอะไรก็ตามอัตยาศัยของท่านเพียงแต่ว่าแต่และเรื่องที่ท่านจับนั้นให้เป็นกระบวนแล้วก็ตลอดสายเราจะได้ผลงานดีๆเกิดขึ้นเป็นอันมา พราจะมาเคยทดลองทำไม่ใช่ทดลองทำนะไปทำจริงนั่นแหละแต่ว่าเป็นงานที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเราก็ทำโครงการเสนอผู้ใหญ่ใช้เวลาลบบี้กันหลายปีนะแต่ว่าเราก็คิดคนเดียวอขอแปลพระไตรปิฎกควบอัตรกระถาหมายความว่าพระสูตรเช่ทำมาจากกวัตนาสูตรเนี่ย ถ า, า, าอธิบายว่ายังไงพระตะถาอธิบายว้ายังก็มาต่อกันเลยแปลธรรมจักรออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลตะรรกาออมาเป็นภาษาไทยก็ควบเดี๋ยวคนอ่าขนข้างหน้าไม่เข้าใจก็พลิกมาดูข้างหลังอธิบายเราเชิญมหาป ร, รีญญมีความรู้สูงๆนี่เข้ามาทำงานได้เยอะก็ระยะเวลาประมาณสักสี่ปีหรือมั้ง เราก็ทำรัชย์วีดดกออกมาได้เก้าสิบเอ็ดเล่มในฉลองกรงรันตรนโกศิล์ครบสองร้อยปีเมื่อก่อนนีมีผู้ใหญ่ยกคันเยอะทำไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ไห่เวลาเนี้ยพิมพ์ไม่ได้เคยหยุดเลยนะครับรัยดดกชุดเนี้ยคนต้องการเยอะแล้วก็หมั่เข้าเป็นคอมพิวเตอร์ขเข้าซีดีคนก็เอาไปศึกษาเรียนกันอันนี้ก็หมายความว่า คนทาเองก็ต้องมีสัจจะแล้วคนที่ดำเนินการประสานงานเองก็ต้องรักษาสัจจะแล้ววิาเองก็ต้องมีสัจจะหมายความมาท่านเกิดทั้งเกิดตัดงบเราวันไหนเราก็พังเหมือนกันแล้วก็ส่งเสริมสนับสนุนการงานเหล่านี้ก็เป็นสมบัติของศ า, าสนาแล้วจะอยู่ยั่งยืนตลอดไปแน่นอนไม่ใช่สมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็นหรอกมันก็หกลกลนไปบ้าง คือหนังสือเล่นหนึ่งเนี่ยไม่ผิดเลยสักคำมันมันหายากเนะมันก็ผิดบ้างแต่ก็ร่วมไปผิดยังไงเดียนนี้ก็มีคนจัดทําขึ้นเป็นรูปแผนซีดีเผยแพร่ออกไปได้กว้างความมากขึ้นขณะตัวนี้ถ้าหากว่ามีความคิดที่เริ่มขึ้นมาจะยังนึกว่ามันก็คล้ายๆกับราชบรรัณฑิตยสถานนั่นแหละ แต่ว่าเราให้เป็นอิสระมีที่พักที่อยู่ส่งเสริมสนับสนุนท่านแล้วก็มีคนประสานงานสนองงานที่เชื่อมต่อกันได้อ่ะนะเช่นสมมติว่าเรื่องกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยเอามาให้หมดแล้วเรียงร้อยเรียงกันแล้วก็อภิปรายแล้วก็ตั้งคําถามมาอภิปรายเพื่อให้เกิดความเข้าใจเอาเด็กรุ่นใหม่มาซักด้วยแล้วประเด็นเหล่านั้นนะ่ะมา ชี้แจงมาทีบายมาขยายความให้เกิดความเข้าใจสอดคล้องกับพื้นฐานทางการศึกษาสมัยใหม่เช่นว่าการเกิดของคนของสัตว์โดยระบบคโคร o n i n ก็ดีนะฮะโดยการทํากีบก็ดีหรือเกิดในหลอดแก้วก็ดีมันจะได้ขัดแย้งอะไรกับหลักการที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ไหมที่พระเจ้าทรงแสดงว่ามันดาบิดารุ่งการมาัรดามีโรโดขันดโพอุปติโต คือกรุ่มของวิญญาณที่เกิดขึ้นจากการสร้างของวิจากระสังขารเนี่ยก็ถือเป็นส่วนที่แล้วก็จะเริมตมโ ต, ตขึ้นไปตามรบดับมันเป็นวิชาการสมัยใหม่แต่ว่าโดยเนื้อหาสาระแล้วที่จริงก็เหมือนเดิมคือเป็นเรื่องการผสมกันเดี๋ยวนี้ก็ออกมาถึงรูปโคนนิ่งแล้วก็ศึกษาวิธีการของการคนนิ่ง โอ้โโคลดิ้งเข้ามามาพิกลายกันมาข้อยุติกันหมายความวิชาการก้าวหน้าก็คือวิชาการก้าวหน้าไปแต่ในขณะเดียวกันสาระถะของธรรมะนี่เป็นยังไงธรรมะยังเป็นความจริงอยู่หรือไม่ตัวนี้ก็ต้องอาศัยสติปัญญาของท่านที่เป็นนักปราชญในแต่ละสาย เราหนี้เสียดายว่าศาสนาเองก็ไม่มีใครคิดทำขึ้นราชการเองก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะเพราะความคิดที่ละเอียดขนาดนี้เนี่ยท่านคงไม่คิดหรอกมันก็อยู่ในแวดวงอีกแวดวงหนึ่งเจตประเด็นที่ที่น่าคิดก็คือว่าคนเราถ้ามีสัจจ สัจจะปฏิญาณหรือสัตยาชิฐานหรือสัจจะวาจาที่จะประพฤติกละทำอะไรเนี่ยกบใดที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่ตนต้องการมันก็ต้องรักษาสัจจะตรงนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยนะฮะว่าพอท่านอธิบายเข้าเนี่ยมันมีลักษณะของความเพียรของวิริยะของขันติของอธิษฐาน ของสัจจะที่ผสมกลมกลืนกันไปเรแสดงเห็นว่าการเจริญบา ร, รมีหรือบําเพ็ญบา ร, รมีไม่ว่าขา้อใดก็ตามนะไม่ได้มาลําพังข้อเดียวมันมีธรรมะที่เป็นตัวหลักคือกัมพีข้อนั้นๆแล้วก็ธรรมะที่เป็นตัวปัจจัยเสริมเขาเรียกว่าอุปการะบา ร, รมี บารมีหลักก็มีสี่อุปการะบารมีก็มีหกหมายความว่าทุกๆบารมีมันจะต้องมีอุปการกบารมีที่เข้ามาเสริมเพื่อให้ภารกิจการงานเหล่านั้นที่ท่านทำโดยพื้นฐานของสัจจะทําโดยพื้นฐานคันติทํำพื้นฐานของวิริยะทําโดยพื้นฐานของได้ธรรมะพื้นฐานของปัญญาอะไรก็ตามดําเนินไปได้แต่ประเด็นสําคัญว่าเจตจํานงความมุ่งมั่นเนี่ย ที่จะไปสู่เป้าหมายตรงนั้นจะต้องไม่วอกแวกจะต้องไม่สับสนชัดสาหรือลังเลไม่แน่ใจสงสัยเรื่องบางเรื่องอย่างการแข่งขันในปัจจุบันเนี่ยเราเห็นชัดเจนมากว่าจนงักไปนิดเดียวเนี่ยอาจจะทำลายโอกาสที่ฝึกปลืออบรมมาเป็นเวลานานให้สิ้นสูญสิ้นไปก็ได้ พอมาถึงโลกวิยาการก้าวหน้ามาในสมัยปัจจุบันเรายิ่งชัดเจนว่าธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันมีความสำคัญมีความจำเป็นที่จะต้องมีจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ขาดแคลนในเรื่องตรงนี้ไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะว่าที่จริงในสังคมเราอย่างอย่างนี้อย่างรัฐบัญเนี่ย เราเห็นว่ามันมีถวายสัตยปฏิญาณหลายครั้งผู้แทนก็มีถวายสัตยปฏิญาณรัฐมนตรีก็มีถวายสัตยปฏิญาณองค์มนตรีก็มีถวายสัตยปฏิญาณก็ข้าราชการซี่สูงๆนะมันก็มีการถวายสัตยปฏิญาณและสัตยปฏิญาณเหล่านั้นมันจะมีเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยความจงรักภักดีความซื่อสัตย์สุจริต ดูทุกแข่งเลยแต่ว่าทำไมไมันมีปัญหารเรื่องขอรับจ้างเรื่องโกงกินเรื่องการอารัดอกเปรียบเรื่องการทะเลาะบอกแวงกันของคนเรานี่ยซึ่งความจริงเราก็มีตัวอย่างคนที่ให้สัตยปฏิญาณเอาไว้แล้วก็ทำได้ดีเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกเป็นรูปธรรม เช่นเส้นเช่นสัจจะปฏิยาณของระบาสุิเป็นอยู่ที่เรียกปฐมบรมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยทําเพื่อประโยขขนะชนช์สุแก่งมชาชนชาวสยามก็รับสั่งไว้ตั้งห้าสิบปีแล้วนะแล้วเวลานี้ก็ยังเป็นไปได้วยดียังทำได้แล้วก็ทำได้ดียิ่งขึ้นนะ โครงการต่างๆในพระราชดำรินั้นมีผลประโยชน์เป็นนันเอกันนั้นอย่างตอนวันที่สี่มิถุนายนเนี่ยโครงการสร้างบ้านให้พ่อที่ลุ่มน้ำปากผนังก็จะมีกิจกรรมทอดปลาปลาหางเงินมาสร้างในโครงการตัวนีนน้สร้างบ้านให้พ่อในเนที่ประมาณสองร้อยกว่าไร่ โดยความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกๆคนแล้วก็ทำให้เกิดความคิดว่าสมัยเด็กๆเด่ยมันเคยได้ยินคำพูดเป็นกรอนเป็นคำกล่าวกันของคนทั้งหลายปากพนังจะพาสุขแห้มตะลุมพูกจะเป็นวังอะไรอะไรเนี่ยข้อความมันยาวยังไงก็ไม่รู้ว่าท้ามันนั่งมันนั่งนึกเออมันก็แปลก คำพูดตัวนี้ก็พูดมาตั้งแต่โบราณนะนะแล้วก็มีข่าวจะเป็นความจริงขึ้นมาในะยุคในสมัยนี้ก็เป็นจริงแล้วฮะไม่มีข่าวแล้วก็เป็นจริงนะเพียงแต่ว่าไม่สําเร็จตามโครงการาเท่านั้นเองซึ่งจะต้องอาศัยการช่วยเหลือจากบุคคลทั้งหลายเป็นอันมากที่แสดงความจงรักภักดีแล้วก็ไม่ใช่มองประเทศเป็นภาคนะฮะมองประเทศเป็นประเทศ ประเทศไทยก็คือประเทศไทยตอ น, นั้นกๆไปได้มีพักนภ้นักนี้ภารกิจการงานต่างๆที่สร้างขึ้นในชาติบันเหมือมก็เป็นประโยชน์แก่ประชาชนภายในชาทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมซึ่งน้ําใจของคนก็ต้องเข้าถึงสัจจะสัจจะประการแรกก็คือสัจจะสมมตินะครัแบบที่เรียกสมมุติกันแต่ต้องเข้าถึงเนื้อหาความจริงเดี่ยวแท้จริงว่า มันไม่มีภาคแล้วก็ไม่มีพวกแม้แต่เพื่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องสมมติกันแต่และในแง่ของสังคมมันก็มีแต่เพื่อนมีแต่ญาติพี่น้องม่แต่คนไทยด้วยกันไปใต้พื้นฐานของการรับรู้ว่าเราเป็นคนไทยด้วยกัน มีประมาศตรุงเดียวกันประเทศเดียวกันประเทศของเราประมากษัตริย์ของเราพี่น้องของเราประเทศของเราอะต่ออะไรเนี่ยและถ้าเข้าถึงสัจจะระดับนี้ได้การที่รู้สึกเป็นเราเป็นเขารู้สึกแบ่งแยกเป็นเรื่องของภาคนั้นภาคนี้อำเภอ MS, น, นั้านำอำเภอนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้มันก็จบคนใดต้องรู้สึกประเทศไทยคือประเทศไทยเท่านั้นรู้สึกว่าโลกคือโลกเท่านั้น เพราะพพุทธศาสนาเป็นโลกาณกรรมปะกะคือศาสนาที่อนุเคราะห์ต่อโลกไม่มีไม่มีความรู้สึกนึคิดในในแนวองค์การแบ่งแยกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาพวกนั้นพวกนี้พวกโน้นแต่ว่ามองเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือการใช้ปัญญานำไปข้างหน้าก่อน แล้วก็สอดสองงองสิ่งเหล่านั้นในแง่ของความเป็นจริงพอเข้าถึงความจริงก็เคารพความจริงแล้วก็ดำเนินการที่จะรักษาความจริงตรงนั้นเอาไว้มันก็กลายเป็นจากความมากมาสู่ความเป็นหนึน่งจากความเป็นหนึ่งมาสู่ความเป็นมากคือเรามองดูนะฮะเราจะเห็นว่า มันเหมือนกับเรารับประทานอาหารเราหายใจเราอะไรต่ออะไรเนี่ยเข้าไปในประสาทต่างๆมันหลากหลายเหลือเกินแล้วก็สู่ความเป็นหนึ่งก็เข้าไปอยู่ในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารก็ทําหน้าที่เครื่องหนก็ย่อยออกไปก็เลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายมาจากหนึ่งก็เันมากจากมากก็เป็นหนึ่งจาหนึ่งก็เป็นมากแล้วก็ผลประโยชน์เหล่านั้นมันก็กลายเป็นบล็อกสําเร็จที่จะนําไปใช้ในเรื่องอะไรก็ตาม จะเห็นว่าแนวบำเพ็ญกุศล ส, สาธารณะเองนี่คือจากความเป็นมากประสู่ความเป็นหนึ่งแก่ความเป็นหนึ่งก็สู่ความเป็นมากเหมือนกันตานองเดียวก็กินข้าวนั่นเอ ง, งทั้งฝั่งทางไหลแต่โลกวิพยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงตรงนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี